ปฐมนิเทศเซขปฏิปทาสนธยาธรรมิกถาวันที่8มกราคมพศ2547โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความพาสุขทุก ป, ประการเขาจะบังเกิดมีแดท่าน สาธุรชนตลอดทงเพื่อนสาธารมิสิทธตนักศาาึกษาเพื่อสาธารมิทั้งหลายโดยทั่วกันทุกทูกทุกองในโอกาสนี้ <c oughs> <c oughs> ผอ ม, มันลำบากตรงที่ไม่มีเสียงให้ขึ้นเสียงหายไปเลย <c oughs> <c oughs> เวลาขอเราในขณะนี้สองทุ่มพอดีพอดี เมื่อกี้ไปนอนให้หมอตอกวันนี้รักษาแบบโบรณาณกาศทั้งฉีดยาทั้งฝังเข็มทั้งกินยาต้มทั้งตอกเส้นครบองจอดก็มาได้เพียงแค่นี้ตอนเย็นเราได้พูดกันแล้วคาบหนึ่งเพื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นแต่เราก็ต้องมา รอคอยการมาของนิสิตจากมหาจุฬาซึ่งก็เหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนพี่เหมือนน้องรอคอยกันอยู่เมื่อมาถึงตอนค่ำกว่าที่จะลงตัวได้ก็ต้องมาพูดกันใหม่เองให้เข้าใจกันในการที่เราจะต้องมาอยู่ร่วมกันตลอดเวลาของเลนเนอร์คอมัน1ิบวัน ถ้าเข้าใจการได้เบื้องต้นทุกอย่างก็จะง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องระบบระเบียบการไปอยู่ร่วมกันคนเราแม้แต่สองคนขึ้นไปมันจะต้องมีระเบียบจีอยู่ด้วยกันได้ด้วยการพัฒนาที่ดีงามเราดูต้นไม้ของเราเป็นแถวเป็นแถวเราปลูกมาเป็นระเบียบเพื่อจะพัฒนาง่าย เวลามีหญ้ามีอะไรเกิดขึ้นล้วก็ตัดได้ง่ายไม่ต้องไปทำลายต้นมันไปตามร่องทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีระเบียบแล้วมันจะดีงามจะพัฒนาได้ง่ายไม่ว่าคนหรือสัตว์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นลักษณะพิเศษของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้นอกจากพระสมณะพระพุทธเจ้าแล้วจะมีพะระปเจกับะพุทธเจ้า พระปเจกับพุทธเจา้าตธรูเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะตั้งศาสนาประกาศพระธรรมช่วยโลกได้มากเพราะท่านไม่ฉลาในการตั้งระบบระเบียบคือตั้งวิเนยัยความสมบูรณ์แบบของพระสมาตพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระวิเนยัยคือระเบียบระบบระบบชีวิตและระเบียบสังคมต้องมี ความมีระบบระเบียบของชีวิตและสังคมมันจะง่ายต่อการพัฒนาแบบเป็นมุมแบบพร้อมเพียงกันแบบโบราณกาไปได้เร็วสมมุติว่าผู้ที่จะของเราแต่สรู้แล้วพระองค์ไปเที่ยวแสดงธรรมอย่างเดียวให้คนโน้นฟังว้างคนนี้ฟังบังก็คงจะไม่ได้สาธนิกเมื่อกี่คนแต่ถ้ารู้จักวางระบบจัดโครงสร้างวางระบบระเบียบชีวิตระเบียบสังคมคือพระวิ น, นัยและจะได้พัฒนาไปพร้อมกันเป็นหมูม ก็ได้มากขึ้นช่อก็ได้มากขึ้นเมื่อจะพูดถึงศาสนาที่เหลืออยูอ่อุรยา่านจะพูดถึงพระวินยัยสุขะโตวาพิขเวโลกเกติ ท, ะ ต, ทะติทตะติธมาโนสุขตะวินโยติทัสสะในมีควาว่าวินโยนะสุขตะวินโยติทัสะพวกมิชนะหิตายะพวกิชนะสุขายะโรกานุกรรมปายะเทวามนุษสานะแปลว่า พี่สูตทั้งหลายเมื่อใดพระสุขระเบียบวินัยสุขนี้ยังคงมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกแก่เทวดาแก่มนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นท่านใช้คำว่าเพียงใดเพียงนั้นท่านตอบนนแลยวเรื่องสุขะตะวินโยระเบียบ พินัยของพระสุคตคือพระธรรมทุตุพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์มองเห็นประโยชอันจะเกิดขึ้นจากคำเพื่อความง่ายรวดเด็ ว, วก็เลยต้องมาจัดระเบียบวางพระวินัยให้เป็นระบบชีวิตระเบียบสังค์เราลูกศิษย์พระธรรมทุตุพุทธเจา้ามารวมกันมากๆเราจรึงจะไปจะต้องมีระบบระเบียบอยู่ด้วยกันเพื่อมันง่าย ให้ช่วยเหลือเกือ้อ ก, กูลกับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสักเล็กน้อยทันทีเวลาจะมีอยู่และสุขภาพวันนี้เราเรียกวันเช่นนี้กิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมเพื่อเสขะปฏิปทาไม่ใช่เพิ่งจะมาทำวันนี้ทำมาแล้วเป็นสิบสิบครั้งที่นี่แต่เริ่มสร้างวัดใหม่ๆเราอยู่ในป่าในดงแต่ก่อนเราก็ อราพึป่ปฏิบัติกันทีละเจ็ดวันโดยอาศัยย่าโจมพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อขาวแม่ขาวพระสององค์เจ้าพี่สององค์พระสามเณรทั้งหลายซึ่งเป็นการศึกษาโดยระบบดั้งเดิมของพุทธศาสนายังไม่มีพวกคณะนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิชยาลัยเข้ามา แต่เราก็จัดโจทเราเรียกว่างานเซคขัปฏิปทาของเราเราลองรับเอานักบวชที่สุดสงฆ์องค์สามนิมหลวงปู่หลวงตาตาวัดว่าอารามบ้านนอกที่สอบนักคำจบแล้วสอบเสร็จแล้วมาปฏิบัติกันแล้วก็ประกาศรับญาติโยมพ่อใจไม่ใหญ่ผู้มองเห็นประโยชน์ผู้มองเห็นโทษแห่งชีวิตในวัฏสงสารก็จะมารวมกันที่นี่ เราจากกันสมัยนั้นมีมทักสี่สิบปังห้าสิบปังเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แต่พอสาปีมานี้ทางมหาวิทยาลัยสองมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลนะัยวิทยาเขตนครพนมท่าพนมมาขออาศัยสถานที่ขอความเกื่อกูลอนุเคราะห์เพื่อจะได้นำนักศึกษาที่เรียนภาวิชาการ ตอนนี้เราใช้คําว่าวิชาการเพราะการศึกษาให้มันสมบูรณ์ทางพุทธศาสนามันต้องมีทั้งสองภาพภาคปริยัตคือภาพวิชาการและภาคปฏิบัติถ้าเรียกว่าภาคจารณะที่จะสมบูรณ์แบบต่างกาันทางการศึกษาของพุทธศาสนาวิชาจารณะสัมปันโนที่เราได้ได้ยินได้ฟังที่เราสวนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะ จาระณนะต้องฝึกต้องฝึกหัดพัฒนาแต่เพียงวิชาธรรมดายังไม่พอการศึกษายังไม่สมบูรณในทางพุทธศาสนาต้อง น, นี้ไปที่จาระณนะก็เลยมาขอใช้สถานที่ขอความสนับสนุนฝ่ายบุคลากรพ อ, อช่วยแนะนำพร้าสอนไปกระดาณมิต แต่ผมเพื่ออาตมานี่ก็เลยมองเหตุผลมาขอใช้สถานที่เปิดหัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสูตรของมหาจุฬาก็เลยมองว่าในสมัยโบราณโน้นพระสมมารธรรมพระเจ้าท่านแนะนำท่านสอนพระสง์ที่บวนแล้วคือก้าวลงสู่การศึกษาการปฏิบัตทิที่เรียกว่าศิกขา สิขาอยังเป็นเรื่องอยู่ภายนอกพฤติกรรมทางกายทางบาจาคือสิ่งต้องประพฤติปฏิบัติให้มันมีอยู่ในเนื้อในตัวจิตใจต้องพัฒนาขึ้นมาด้วยสมาธิให้จิตใจนี้มีสมาธิมีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นมีควรมีความค ว, ควรแก่การนานที่จะกระทำที่เรียกเป็นพัตาบาลีว่ะวิสุโทโธสมาหิโตกมนิโย คุณภาพสมรรถภาพและประสิทธิภาพเขาจิตให้มันมีสงบสะอาดสว่างสะอาดสว่างสงบไปอย่างนี้ทางบาลีท่านจะใช้ับว่าวิสุโทโธสมาหิโตกรร ม, มนิโยบริสุทธตั้งมั่นควรแกการงาน อนนี้เป็นภาคสมาธิเรียกว่าอาธิจิตาสิกขาเมื่อจิตมีสมาธิทั้งพร้อมแล้วก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงสมัยฮิโตยะถาภูตามประชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงคือคือด้านปัญญามันจึงครอบรอบครอบคุมทั้งสามด้านทั้งด้านพฤติกรรมด้นานจิตใจและด้านปัญญา ก้มีให้พร้อมช่วยจัดให้ทีมันไม่มาตามสเปคตั้งมาตรงๆจะดีก ว, ว่านั่นคือด้านพฤติกรรมและจิตใจประกอบด้วยทั้งสติปัญญาด้วยเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาไตรไปว่าสามสิกขาอบรมฝึกฝนขึ้นมาสามด้าน ก็เลยได้ตั้งชื่อวัดีไว้ว่าไตรสิขาทธารมาลาอารามชื่อจะแปลกฟังใจะยากหน่อยมีอยู่เก้าคำไตรสิขาทธารมาลาารามเก้าคำมากไหมถ้ามันมากก็เอาแค่สามไตรสิขาสามคำซึ่งมันจะมีความหมายว่าอารามอันทรงไว้ซึ่งความสดชื่น ทารามรารตาน่ยมาจากพระทารามราติราคาติตีทารามโลทรงไว้ซึ่งความสดชื่นอารามที่ส่งไว้ซึ่งความสดชื่นสาหรับผู้ไข่ต่อใตสิกขาผู้ประพฤติปฏิบัติในใตสิกขาอันนี้เป็นหน้าที่ของพระของเนรเมื่อบทมาแล้วจะต้องก้าวลงสู่การศึกษาอย่างเต็มที่เมื่อประพฤติปฏิบัติได้เกณฑ์มาตรฐาน ลงเนื้อลงตัวพฤติกรรมมาตรฐานคือศีลจิตใจได้ระดับมาตรฐานคือสมาธิปัญญาได้ระดับสมได้ระดับมาตรฐานท่านจะเรียกว่าเสขาอาะไรเสขานะไม่ใช่สีขาแล้วนะแปลงอีเป็นเอเป็นเรื่องภายในเป็นเสขะผู้ต้องศึกษาต่อไปในทางพุทธศาสนา น, นั้น เพียงแต่เรียนเฉยๆสวดร้องท่องบนจดจำยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นนักศึกษาเลยเพียงได้เป็นผู้เตรียมศึกษาเท่านั้นแต่ถ้าพฤติกรรมได้มาตรฐานคือศีลระดับจิตคือสมาธิได้ระดับมาตรฐานพอสมควรระดับปัญญาได้มาตรฐานมองเห็นโลกมองเห็นชีวิต ตามที่มันเป็นจริงไม่หลงปีิราคาจริงเหล่านั้นในโลกอธรรมนั้นมีปัญญาระดับนี้ก็ชื่อว่าได้ระดับมาตราฐานหนึ่งจะ ก, กลายเป็นเสขาบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันก็เป็นพระเสขาบุคคลระดับต้นๆสูงมาถึงสกิทาคามีก็ระดับสูงขึ้นอาณาคามีถึงระดับสูงขึ้นทั้งสามนี้ยังเป็นพระเเศคาร เป็นนักศึกษาโจนกว่าจะทำอาสวะสังโยชน์สิ้นไปทั้งหมดจะทำความทุกข์ให้สิ้นไปโดยชอบนั้นแหละจะจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขบุคคลคือเป็นพระอาหารหันต์ท่านที่มีหลักข้อปฏิบัติของนักศึกษาเัเสขะปฏิปทาก็เลยได้ได้ปรกกับขณาจารย์ที่มาติดต่อมาประสานงานจากทาง มหาจรฬาพ่าเอาใหม่ผมขอเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนกิจกรรมในการมาประพฤติปฏิบัติที่นี่ใหม่ขอใช้คำว่าเสขะปฏิปทาคำว่าข้อปฏิบัติของผู้ศึกษาทางคณ า, าจารย์ท่านหลายก็เห็นดีเห็นงามด้วยก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นมาความจริงแล้วเรามีมังกนแล้วล่ะแต่มันมีแต่พวกภายนอกคือคือพวกเราเนะี่ยพวกมาได้เรียนในมหาวิทยาลัย ที่นี้เมื่อมารวมกันจะต้องมอง ใ, ให้ชัดการศึกษาแต่สมัยโบราณแต่ไม่พุทธิจารถ้งเป็นการศึกษาแบบดั้งเดินแบบใต้สิกขาแต่การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบจัดตั้งจัดตั้งจากระบบทางการจัดตั้งให้มันจะถ้าจะไม่เป็นมันจะบทปังการศึกษาแบบใหม่แบบจัดตั้งจะมาบทปัง การศึกษาแบบดั้งเดิมแบบสิงสมารถปัญญาอาตมา ก, ก็เลยคิดว่าจะต้องมารวมกันแปลบบุรณาการขอพูดถึงบุรณาการงานนี้บุรณาการมากนะต้องฟังให้ดีแล้วต้องคิดช่วอาตมาด้วยงาอาตมาพูดหน่อยคนเดียวอย่างที่ผมพูดมาแค่เดียวงานนี้เป็นงานที่บูรณาการมากเมื่อรัฐบาลทักสินขึ้นมาปกครองประเทศจะเอ่ยป่ากคู่เรื่องบุรณาการ คิดใหม่ทำใหม่แม้แต่ผู้ว่าราชาการก็ยังมีผู้ว่าซีอีอคือผู้ว่าแบบบูรณาการสั่งการสั่งงานได้หมดข้าราชาการในจังหวัดทุกหน่วยเขาเรียกว่าบูรณ า, าการพูดใหม่ทำใหม่แต่ความจริงแล้วไม่ใช่พูดใหม่ทำใหม่พูดใหม่ทำเก่าทำตามหลังพูดด้วยก้าวคนจะทํ า, ททาพาเราทำํำไหน ระบบไตสีขานคือระบบโบราการที่สุดพูดกันทั้งวันจะเข้าใจไหมต้องใช้เวลาหน่อยอดทนหน่อยถ้าอดทนพู้ฟังผู้พูดด้วยในพุทธศาสนามองทุกสื่อทุกอย่างแยกแยกแล้วโยงเข้ามาไปอันเดียวกันเห็นเช็คชั่นเอาไปแยกไปไปเรียกวิวพัชนาทีเสร็จแล้วต้องมารวมกันให้เห็นภาพพบรบดองกันแต่พูดทั้งคือก็ยังไม่จบเลยเรื่องโบรณาณการพุทธศาสนาพูดมาก ในทางพุทธศาสนาเราจะมีส่วนประกอบโยกให้เป็นองค์กรศาสนาเนี่ยมันมีอยู่สี่อันเรียกว่าอังคสัมภารัศสมาธนอประกาศรังองค์ประกอบชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นศาสนา ม, มันมีโยสี่อันเต่าเสเวลาเอีกแล้นี่ยเต่าโคดในีอีกแล้อังคสัมภารัสะ ศาสนปพากาลันส่วนประกอบชิ้นส่วนที่เกิดเป็นองค์กรของศาสนานี้มีอยู่สี่อันและสี่อันนี้จะต้องบูรณาการให้ได้ให้โยงกันให้ได้มิฉะนั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรได้แต่ไม่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันมีอะไรบ้างรอรอร อ, อมองดูหนึ่งศาสนบุคคลคือพวกเราทั้งนักบวชและชาวบ้านปงนอกปงใน ยังไม่พอสองศาสนวัตถุวัดวาอารามศาสนาสถานเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่พบกันของศาสนบปกคล3สามศาสนาธรรมหลักธรรมคำสั่งสอนที่เป็นแก่นเป็นแกนเป็นเนื้อหาสาระที่แท้จริงของภาษาศาสนาสี่ ศาสนพิธีพิธีกรรมในทางศาสนานี้เสี่ยงเซมไฟมันช็อตใครไปกระตกสายเราจะเห็นได้ว่าทั้งสี่อํนนี้ได้ได้บุรณาการเพื้อโกนกันจะ่เกิดประโยชน์สาธารณบุคคลมีสองจะพวกวงนอกและวงในคือทั้งบวกและชาวบ้านจะต้องอาศัยศาสนะวัตถุไปที่พบกันคือวัดป่าอารามหรือว่าศาสนสถาน เพราะกันเพื่ออะไรพบกันเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมให้แก่กันศาสนาธรรมพระสงฆ์จะต้องเอาศาสนาธรรมนี้มาบอกกล่าวมาชี้แจงมาแถลงไขามามอบให้แก่โยงคือศาสนาบุคคลบงนอกก่อนที่จะได้มอบให้แก่กันจะ ต, ต้องมีพิธีกรรมขึ้นมาศาสนาพิธีเป็นเครื่องมือโยงโยงนักบวชและชาวบ้าน สาธาบุคคลทั้งสองฝ่ายไปพบกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายนี้จะได้ให้แก่กันอาศัยอับดาอามิสถานจากสาธารบุคคลวงน อ, นอกคือญาติโยมและอาศัยธรรมทานจากสาธารบุคคลวงในคือพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นเป็นทายกญาตโยม ก, ก็เป็นปฏิฆาห พระสงฆ์เป็นธรรมะทายกผู้ให้ทำญาติโยมก็เป็นธรรมะปริขาของผู้รับธทำในขณะเดียวกันญาติโยมก็เป็นาาทายกอามิสตายกผู้ให้ให้อาบิข้าวน้ําโพชนะอาหารที่อยู่ที่อาศัยหล่อเลี้ยงชีวิตของพระอยู่ได้นี่คือวิรณาการนะช่วยกันให้มันเต็มโยมก็เป็นทายกเป็นอามิสตายกพระสงฆ์ก็เป็นอมิสเปริกาหก รับอามิตรอามิตรคําจริงๆน้ำแปลว่าเยื่อคือวัตถุที่อาศัยของเราในตะประจัยษ์สินี่แหละเป็อามิ t h ไอาศัยจากยอมในขณะเดียวกันพระต้องรอเลี้ยงทำให้แก่จิตใจได้ยอมให้เจริญขึ้นมาให้พรามาารรคที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงขึ้นมานี่คือการบูรณาการบูรณาการเป็นภาษาสันตกฤคภาษาบาลีมาจากคําว่าปะกูรณาการ เป็นณปงสกาลิงไม่มีเพศไม่ยว่าการทาให้มันเต็มทําอะไรให้มันทรงูรณ์แบบจากโยงกันแล้วตาจะเห็นได้ว่าอังคสัมภารัศะสถานะปะกวักปการนังอุปกรณ์ทั้งสังสีอันนี้มารวมกันเป็นศาสนาเนี้ยมันนีมีการเชื่อมโยงกันเป็นบุรณาการแล้วก็ได้ผลถ้าพิธีกรรมนั้นไม่มีการหลอเลี้ยงทำให้แก่กันมีได้กินเหล้าเมายาไม่แต่ฆ่าสัตว์ชีวิตไม่แต่รนุกสนาน ก็เป็นการทํำลายทําลายเศรษฐกิจทําลายชีวิตทําลายจิตใจทําลายจริยธรรมทำลายศาสนาเป็นตัวงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการพบกันระหว่างพระกับโยมหนึ่งที่ต้องรอเลี้ยงทํำให้ก่กันก็พากันไปเพื่อพรมันการบริสุทธิ์บริณบรณนงานนี้ที่เป็นงานบรูรณาการเพื่อพรมันกันและกระกานนี้ที่เป็นงานบรูรณาการเพื่อการศึกษาตอนเย็นก็พูดจบ แต่ใหญ่หญพวกต่อจะไม่เห็นเห็นการทั่วกันเท่าเพราะเราอยู่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายขอพูดถึงเรื่องบูรณ า, ณาการด้านการศึกษาแต่ก่อน integration of education บูรณ า, ณาการสำหรับการศึกษานี้คือในนี้เรา ม, มีมีนักศึกษาอยู่สองพวกสองแบบพวกจากมหาวิทยาลัยเป็นพวกจัดตั้งตามระบบที่ทางการจัดตั้งให้ พวกมานุ่งขาวห่มขา ว, ขาวและพวกไม่ได้เรียนใมหาวิทยาลัยพวกพระเนรทั่วๆไปไฟใจการปฏิบัติในสินสกขาธรรมธิึกขาปรัญสิข า, ขาพวกนี้ก็เป็นนักศึกษาแบบดั้งเดิมเอาทั้งแบบจัดตั้งและแบบแบบดั้งเดิมมารวมกันปอภาษาลาวว่สัพพปีหงผกภาษาลาว่าสัพพปีหุผลภาษาวลีนั้นสัพพิปิสัพสพไปว่าทั้งหมดปิแม้ทั้งหมด คนเราอกเป็นพาษาบาลีเพื่อใหซับปีน่นแปลว่าเป็นพาษาบาลีไปทั้งหมดเราอามารวมกันให้ามาได้ประโยชน์ด้วยกันถ้ามีแต่เรียนอย่างเดียวก็จะเป็นระบบจัดตั้งที่จะบทบังการศึกษาระบบดั้งเดิมระบบดั้งเดิมนีจะเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตครบทั้งสามด้านทุกระบบพฤติกรรมจิตใจและปัญญาให้เป็นมนุษย์ตัวสมบูรณ พัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาคุณภาพของขวัญมนุษย์สูงขึ้นในทางพุทธศาสนาไม่ได้เรียกว่าคนเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเป็นบัณฑิตนะไม่ได้ใกล้เลยผู้ที่เคยบวชรู้จักบาวรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษ ร, รู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโ ย, ะโยชน์ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าปโยนตายเห็นประโยชน์แล้เลยล้ําตายเห็นไปที่เราได้ทั้งทั้งหมดผู้คนเช่นนั้นเรียกว่าบัณฑิต ขปมัตโตอุโพอตเถอธทิขันห้ามปันติโตทิฏเถทำเบจะโยอัตเศโยจะเ่วโยจะเพตสุาลายิโกอัทาพิสมัญญาทีโรปัตปิตโตติปพุจจติประโยชน์ที่ตาเห็นคือประโยชน์ในชาตินี้ประโยชน์ที่เลยล้ําตาเห็นไปคือประโยชน์ในเบือ้องหน้าในชาติหน้าเขื่อประโยชน์ได้ทั้งสองชื่อว่าบันทึกนั่นเนี้จบปริญญาระดับ ด็อกเตอร์ผูคอตาแต่พืชกินยาตาสร้างปัญหาเหญ่แต่พืชแสดงว่าพวกนี้มันยังไม่ได้เป็นบัณฑิตบัณฑิตมันจะคำว่าบัณฑะผู้มีปัญญาเครื่องดาเนินชีวิตอิตตะไปว่ามีบัณฑะอิตาเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเครื่องดำเนินชีวิตถือประโยชน์ได้ทั้งสองใครก็ตามถ้าถือประโยชน์ได้ทั้งสองทั้งด้านทั้งสองด้านทั้งตาเห็นได้เลยตาเห็น ทั้งแบบแตะตั้งทั้งแบบดั้งเดิมทั้งโบดทั้งลบถือเอาประโยชน์ได้ทั้งหมดบุคคลนั้นจะจบอะไรก็ตะก็แล้วแต่เขาถือว่าเป็นประติษฐ์ในทางพุทธศาสนาเป็นประดิษฐ์เพราะฉะนั้นงานนี้เราจะให้ได้ประโยชน์ทั้งสองทั้งระบบจัดตั้งและระบบดั้งเดิมให้ได้ประโยชน์ร่วมกันจะมาบูรณาการกันปฏิบัติไปด้วยกันจะได้เป็นเสข่าบุคคลด้วยกัน จึงจะต้องมีระบบระเบียบที่เราจะต้องร่วมกันเดี๋ยวจะได้พูดทีหลังที่นี้ขอยอนไปถึงโบรน า, นาการพื่ อ, อมาจารย์ทุกวันนี้เราไม่ค่อยจะเข้าใจคําว่าพรมาจารย์ที่ว่าพรมอาจารย์คือการบวชบางทีคือพูดยังไม่มีผัวเราที่ไปนอกพรมาจารย์เป็นชื่อของศาสนาศาสนาใดก็ตามสมัยโบราณเขาจะเรียกว่าพรมาจารย์ ท่านบวชประพฤติพรหมจารนผู้ใดท่านบประพฤติพรหมจารบูชาใครท่านชอบแต่ของธรรมผู้ใดเขาจะถามกันอย่างนี้แปลว่าท่านซื้อศาสนาอะไรท่านชอบท่านจะนับซื้อศาสนาอะไรนะ่ะครับพรหมจารีเป็นชื่อของศาสนามาจากวาลีประพรมะจาระพรหมะแปลว่าประเสริฐดีเลือก จระไปว่าไปภาษาบาลีแต่มันเป็นคำนามต้องการให้มันเป็นกิริยาใสอิยะปัจจัยไปเป็นจาริยะทีนี้อินเดียเขายังใช้ภาษาบาลีอยู่ยังไม่ตายหมดเนี่ยเราไปขึ้นรถโดยสารในอินเดียคนท้ายรถกระเป๋ารถมันจะบอกคนขับว่าจะโรคไปจะเร็วเราเสร็จแล้วขึ้นอะไรเก็บเงินไปจะร็มันบอกไป มันภาลาบาลีเนอะยังใช้อยแต่อันนี้พรมจันทร์นี่ยมาจากว่าพรมมจริยาจระแปลว่าความเป็นไปของชีตจราจระกันไปกันมาเรียกว่าจราจรแต่อยากให้มันดีเลยเอาพรหมมาใส่ขนาเลยว่าพรมจันทร์ระบบศาสนาทุกศาสนาเรียกว่าพรมจันรพุทธศาสนาของเราเกิดขึ้น ก็เรียกชื่อพมจันตามเขาเหมือนกันแต่สันนิษฐานพระมฤตย์พมจันทร์อย่างจารมะประพฤติยู่ซึ่งพมจันรในพระพุทิภาคกระหงนั้นที่เราสวดและตัวพมจันนี้ไปบว่าการดำเนินชีวิตไปให้ประเสริฐดีเลิศดีงามไม่มีปัญหาไม่ได้การสร้างฟ้างดีงามทีนี้พมจันทร์ในพรพุทธถาสนา ท่านแบ่งเป็นเกตสามระดับไละมีอยู่สองประเภทมีอยู่สามระดับสองชนิดสองชนิดสามระดับชนิดที่หนึ่งอชตังพรมจันทร์พรมจันท์บงไในพรมจันท์อย่างพรมจันท์ของผู้บวชชนิดที่สองประเภทที่สองพรพหินระพรมจันทร์ พรมจดนบงนอกของผู้ที่เป็นญาติจ o ได้จมีระดับแต่ละระดับมีอยู่สามระดับทั้งบ่งนอกบ่งในอธิกา ร, รยานา ง, งามในเบื้องตน้นมัชฌิกา ร, รยานางงามในท้ำกลงปริโยสานะกา ร, รยานางงามในที่สดุดเราต้องการให้ใหพรมจดนของเราเนี บ, บริบูรณ์ให้มันเกิดบุรณาการทั้งสองทั้งภายนอกและภายในจิตโลกมารวมกัน ถ้ามันงามทุกด้านผู้ที่อาจารย์เคยบอกว่าสคาราจะอานาคาบาจัอุโภคัโยยะนิสัชิตาอาราธายันติสัมังโยคโขขเข็มันอนุตระังตอนนี้ท่านแยกสักพักแยกแล้วท่านยอมท่านจะบอกว่าทาิสทาทาา่สุดทั้งหลายทั้งที่ผู้คลองเรือนสคาราจะจากจะเน้มไปว่ะและ และอนาคาราผู้ไม่ไม่มีเรือนคือผู้บวชแล้วทั้งสองฝ่าย น, นี้อันยมันยังนิสัยยะเพราะมันจะยังวุจติโอคาาัสสนิสระนัทธยะสัมมาทุกขะคดอัอันตากิริยาญาติขอภัยอาจจะเสียเวลากับภาธาบรีบ้างถ้ามันพูดเลยก็มือนกับพูดเราเองต้องต้อง ตราผิดชอบตัอวิชาการของท่านคือเรามานมีมีนักศึกษาภาพวิชาการด้วยอาจจะมาเพิ่มภาคการละนะด้วยเราต้องเอาควาวิชาการมาด้วยที่เททั้งสองฝ่ายอัญญมันดังนิสายะผมจะดยังวุจติแต่อาศัยอยู่ซึ่งกนและการประพฤติมจะนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ โอคัตสนิสารณัธายะเพื่อสลัดตนเองออกจากโอคัคือห่วงแห่งวัฏฏสงสารนี้อันโตทุคัตอันตะกิริยาญ า, าติเพื่อทำที่สุดโดยที่สุดแห่งของความทุกข์โดยชอบแต่ได้อาศัยกันนะฟังออกไหมถ้ามีแต่พระแบกกดเข้าป่าไม่ได้อาศัยญาติมอย่าหวังเลยจะถึงพรหมจันย์บ้าเบื้องส่งถ้ามีแต่โยม ไม่มีพระสองช่วยแนะนำภาพสอนให้เมื่อนั้นก็จะเมือจะ ง, งมจบเพราะความเป็นคารว า, ามีภาระมากท่านจึงบอกว่าสาคาเรสุจีบลังปัจจะสยนาสนังอนาคาราปริชันติปิณิสยาวินโนสนังนักบวชผู้อบวบผู้ผู้มอวปวด้วดวดวจากเรือนหวังอย่างเดียว คือปัจจัยสี่จีวรที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโลกเพื่อบรรเทาความทุกข์อาจจะพึงเกิดขึ้นทางกายจากญาติโยมเยมาาาพียงเท่านั้นส่วนโยมหล่ะสานาคาราจะกส่วนผู้ที่อบวจนั้นจะต้องรอเลี้ยงรมให้แก่ญาติโยมยีสังท ร, ร ม, มังเทเสธะ อดีการงานนังมัชฉัยการงานปริโยศานังกริยานสังสาทั้งสเปชชนาเกี่ยวระปุริพุนนังปริสุตังพอมันจะเรื่งประกาเเทศะแม้เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเขาเหล่านั้นท่านท่านท่านท่านแทรกว่าให้มีอุปการะมากๆมา้ยพะองคารานิพิคเวตุมเหหิปิอนาคาคาลัยจัก แม้เธอจะจบเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้ครองเรื่องเหล่านั้นด้วยการแสดงธรรมให้เขาฟังงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางของางามในที่ทุกประกาศพรหมจา ร, รย์ให้บริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงพร้อทั้งอัธยาพร้อมทั้งปัญญชันะอะไรคือคือคือพรหมจารย์ที่จะให้มันบริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้นเชิงตอนนี้เรามากลับกลับมาดูพวพรหมจา ร, รีของเรา ของฝ่ายโยมและฟมฟจน์ของฝ่ายพระท่านทั้พระบอกโยมให้บริสุทธิ์บริบูรณบริบรูรณ์คือทั้งหมดตั้งแต่อธิกา ร, รยานางงามในเบื้องตน้นมัชย์กา ร, รยานางงามในถ้ำกลางอริโยสากรการยานางงามในที่สุดเี่มันบริสุทธิ์บริบรูบรณนะนะเขาทั้งอัถฐเขาทั้งพยัญชนะหัวข้อและจุดมุ่งหมายหมายถึงประโยชน์ด้วยถ้าจะเข้าใจ ให้ง่ายก็ต้องประมองที่ที่ที่ผลตามหลักของพุทธศาสนาจะชี้ผลและจริงจะดไปให้แห่อย่างคําสอนที่ที่โลกทั้งโลกแต่แตะลึงได้กล่าวไปอยู่ทุกวันนี้แม้จะพวกปา่าล้ำมังค่าเด็กที่เขายอมรับที่สุดพุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่เมือนเลววิสัยมนุษย์สิ่งที่มนุษย์สะพัดตะเริ่มต้นด้วยเหตุคือความเริ่มต้นด้วยผลคือความทุกข์ แล้วก็ขยายต่อมาสู่เหตุคือสมุทยัยมั น, น, น, น, นรรยิงไปไปคอนฟ lict ไปขัดแย้งกับศาสนาของเขาศาสนาของเขามันเริ่มต้นโดยพระเจ้ามันเลยสัมผัสกับไม่ได้เลยแต่พุทธศาสนาเนั้นมันสภมผัสได้มันสอนมนุษย์ที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตแก้ปัญหาได้ต้องเริ่มต้นด้วยความทุกข์คือตัวเหตุตัวผลแล้วก็โยงไปหาเหตุที่จะเกิดทุกข์แล้วไปถึงผลอีกอันหนึ่งคือความไม่มีทุกข์ตั้งอยู่ได้ โยงไปให้เหยอคือมัดคือข้อปฏิบัติแล้วทุบเดาไปในพมรมัญญานีข้อข้อเหมือนกันเราขอพูดถึงผลซะก่อ น, นถ้ามีคำตัดเป็นคาถาง่ายๆน่าจำไล้น่าจะจำง่ายๆฮีเนนะพมรมัจญดิเยนะจะคาติเยนะอุปชติบุคคลจะได้กเนิดเกิดเป็นกริย์เพราะพมรมัญจาด่างต่ำ ฟังดีนะอาธิพงศ์จันจรยร์นะพงศ์จัรย่างต่ำมัมชฌีเมนะจะเทวเตกประชติบุคคลจะได้กําเนิดเกิดเป็นเทวดาด้วยอ น, นิสงส์แห่งพงศ์จันทร์ด่างกลางคือมัชเชกนะัญาณังงามในทับกลางอุตเ ม, นะมีนะพงศ์จันทรีย์นะวิสุทติ บุคคลจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากโอหะงสงสารจากความทุกข์ในวัฏสงสาร น, นี้เพราะพรจมันแจด่จางสูงนี่บริโยสานะกัยาหนังท่านท่านในพระประกาศในเรื่องนี้ได้มีอะไรบ้างจะขอพูดให้ฟังท่านหน่อยหนึ่งถ้ามีเวลาค่อยอธิบายอย่างต่ำของโยมคือทานอย่างกลางคือศีลอย่างสูงคือภาวนา คอยจะคิดออกนะของพระหละ่ะอย่างต่าของพระคือศีลอย่างกลางของพระคือสมาธิอย่างสูงของพระคือปัญญาสามเหมือนกันสามระดับเหมือนกันแล้วเราจะมารวมกันที่นี่กระทํำมันสมบูรณ์แบบบุรณาการทั้งสองด้านทั้งฝ่ายญาติโยมก็มีทานมีศีลมีสมาธิมี ม, มีมีภาวนาสัว์ฝ่ายพระ เสขาปฏิปฏทาเนี้โดโลงเต็มที่อยู่ในในศีลสมาธิปัญญา Clone. ถ้าจะพูดจะมองไปที่พระจะเห็นแต่พระอย่างเดียวเพราะเสขาปฏิปทาเนี่ยเป็นชื่อของจารณะจารณะสิบห้าของพระที่เราสวาวิชาจารณาสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะทีนี้ท่านท่าสรลคำหนึ่งว่า วิชาเจรณนะสัมปนโสเศธโธเทวมนุษยาบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะแต่เป็นผู้ประเสริฐสุดที่สุดในหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นบาโกบาเิกาเป็นพระในเถรฉีเป็นได้ทั้งว่าถ้าเจริญด้วยวิชาและเจรณะจะประเสริฐในหมู่เทวดาและมนุษย์แต่ก่อนแต่ไหนแต่ไรมาแล้วมนุษย์ไหวเทวดาไปพระอินทร์พระพรหยมราช แต่ตกคุณญาติเราไหว้เทวดาประเทศอินเดียเป็นแหล่งเกิดอารยธรรมไหว้แต่เทวดาแต่พอเกิดมนุษย์ขึ้นมามนุษย์ผู้พูดถึงพร้อมด้วยวิชาและจรรยาคือพระเจ้าแต่แต่รู้จะเรียด้วยวิช า, าและจรรยาแล้วเทวดาต้องมาไหว้มนุษย์เทวดาก็เลยว่าเองมนุษย์สภูตังสัมมาสมพุทธ ต, ตังอัตถานตังสมัยตังยานมัสสันติเทวตาติ เทวดาพูดนะเป็นเทวดาพาสิทธนะไม่ได้วาเองแปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นมนุษย์มนุษย์สภูตังสัมมาสัมพุทธทังอัตตทันตังสัมมาหิตังแม้ท่านจะเป็นมนุษย์ท่านได้ฝึกตนดีแล้วมีจิตใจอันตั้งมั่นดีแล้ว อย่างนามัสสันติเทวตาที่แม้เทวดาทั้ายก็ต้องน้อมเสียนอพิภพเดี๋เสีที่เรามาใน ม, มาอัตตาหันตังอัตตาหันตังแปลว่าฝึกตนวันนี้จะได้ตือนมาตรตรีสองนะฝึกตนนะอัตตาหันตังนะให้มันเกิดสมาหิตาสมาฮิตโต้มันตั้งมั่นนะมีเรื่องเล่าไว้ในนมสัสสกกะสังยุต สัญญุตนิกายนัมัสสสกัสโสเรื่องพระอินทไว้วันเดึองมีเรื่องปราหลาดทำให้เทวดาทั้งหลายแตกเต็มขอใช้เวลาหนานหนึ่งพระอินจะไปเที่ยวสวนนันทวันสวนสวนที่เป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนอุทยานทิพย์อุทยานทิพย์ของเทวดาที่สวนนันทวันบางส่วนฉันลาไปนึงพระอินก็เลยบอกไดเวอร์คือคนขับรถ สารสีเทวดาตัวหนึ่งมีมชื่อว่ามาตุรีเป็นเทวดาขับรถขารถมาให้พรกอินนั่งพระอินก็เลยบอกว่ า, าสหายท่านมาตุรีผู้สหายเอ๋ยท่านจะไป น, นมาม้าอาชานายมาหนึ่งพันตัวมาเทียมเวทยชยันราชรถให้แก่เราเราจะไปประพาทที่อุทยานนันทวันชนสวรรค์ มาตุลีก็รีบุลีกุจอมสักพั ก, ก็เสร็จมาอาชนัยหนึ่งพันตัวราชรถเวชยันก็พร้อมเทียมกันคบเพลียก็เลยมากราบข้าแต่เทวะท่านผู้นิรนุนทร์นิรุตบัตรนี้มาอาชนัยหนึ่งพันตัวได้เทียมเขากับเวชยันราชรถเสร็จแล้วเชิญพระองค์เสด็จเถอพระอิน์ก็เลย เสด็จมาจะมาขึ้นรถก่อนจะขึ้นรถไม่ขึ้นไม่ขึ้นง่ายๆเพราะนมมือหันซ้ายแลขวาทำปากมุ้งมิมุ้งมุ ม, ม, มิไปทางทิศตะวนออกบ้างทิศตะวันตกบ้างทิศเหือบ้างที่ใต้บ้างเอมัลติรีสงสัยพอเสร็จแล้วขึ้นรถก็ยังยังกราวยังไหวไหวทำปากมุ้งมิมุ้งมเทพบัลติรีก็เลยถาม ค้าแต่จอมเทพผู้นิรุตในโลกนี้จัตาโรโอจามหาราชาป้ามหาราชทั้งสี่ทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่ก็กล่าวก็ไหวท่านแต่ถ้าถ้าจตุโลกากบาบาลเนนะี่ยเขาคุ้มของโลกทั้งสี่เขาก็ยังไหวท่านแต่วันนี้ท่านไหวผู้ใดในโลกนี้มีใครที่ประเสริฐที่จไหวท่านไหวท่านจะขึ้นรถท่างก็ไหวไปทางที่เหนือที่ใต้ที่ตะวันออกที่ตะวันตกพระ อ, อิน์ก็เลยบอกว่า เือเอายารทีมาตรีเธอยังไม่รู้อยู่หรือถ้ า, างนั้นเธอจงฟังเราจะบอกอย่าคุยกันนะหลวงพ่องเงียบๆเสียงมันดังลบคนคนอื่นก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะบอกเธอจงฟังพออะไรเขายิงก็ไหายยกมือ ไ, ไปทางที่ตะันดอกที่มันตกก็เลยเกาเก่ามันเป็นคาถาว่า อาหารจะกสิริสัมพนีเจระราาัฐธรรมเหตสุสมมาปะัะจิเทวันเถรฟมจาริยัปปารายเนยเยขางธาบุญยกระาสีระบันโตปาสักดิ์ยังนามสันติเ ท, ทวตาติเป็นกร น, นะเป็นเพื่อนกรไปคาถาแปลว่าเราไหวผู้มีศิลเราไหวมนุษย์ผู้มีศิลเราไหวบ้บุคคลพวกมีจิตใจตั้งมั่นในสมาธิ เจรารัตถะสมะฮิเตสัมมาปะเวสิเตวันเถรปาไหวผู้บวชแล้วโดยชอบที ye, ่มาบวชโดยระบบเจตุตกรรมวาจามีพระอุปัชามิอาจารกรรมอาจารย์นุสาวนาจามีพระสงฆ์ยอมรับฉบับสัมมาปเวสิเตวันเถบวชแล้วโดยชอบที่มาบวชสาวาลหนึ่บวชในบวชในขาแล้วนึ่งบวชในซี่ละกวดลาพ่อลาแม่ลาเมียลาฟัวมาแล้วจะได้มาบวชเทวดาไหวนะ ทีนี้เรายังไม่มีหูทุบยัง ไ, ไม่มีหูทิพที่จะได้ยินเสียงของเทวดาเขาพูดเสียงทิพเราจะไม่มีตาทิี่จะเห็นตาทิพของเขาเขาอาจจะไหวเราอยู่ก็ได้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าใครสักคนมีตาทิพมองขึ้นไปบนฟ้าเห็นเทวดาเหาะมาในอากาศเป็นหมู่เทวดาเหล่านั้นจะไม่กล้าเหาะเข้าหัวเข้ากั้มเข้ากําข้ามเ ก, ก, ก้าคนที่นุ่งขาวห่มขา ว, ขาวถึงศีลแปดถือโวส คนที่นุ่งเหลืองข่มเหลืองอย่างนี้เขาจะหลบไปนวนเขาจะบระดมมือหลบไปนวดพระดเขาจะไปไปลงดีนั้นจะกลาบเขาจะไหวอาหารจา่ายสีนสัมปันเนจละลาลาถาสมะฮิเตส ม, มาปาัจจุบันเทพุทธมัจจริยปารยายอะไรนี้ยีข้าถาบุญยกระลาศีลวันโตปาสากายังนิมัสันติทิวาตาเตเขาเลือหัตเราใดเป็นผู้ทําบุญอย่างวันนี้เรามาเมาืม่อานพหนึง่งทำบุญอยู่โรงพูนไม่ได้นอนเลย ทั้งวันทั้งคพวกนี้นก็เ ท, เ, ทเวลาไหวนะเยข้าถาปุญยคดาเครื่องหาเหล่าใดที่ทําบนวันนี้ท่านอาจารย์สุโ ข, ขมาจากกรุงเทพพาญาตโยมมาบริษัทบริวาลของท่านมาร่วมทําบนเพื่อหล่อเลี้ยงพวกเราให้มีชีวิตประพฤติธรรมทลายเงินค่าอาหารไปหนึ่งแสนหนึ่งหมืกว่าบาทดูสิเทวดาไหวคนพวกนี้ นี่ว่าเยฆะถาปุญญกราศีรวันโตบาสกาอุบาสกบาสิกาเราใดผู้มีศีลนุ่งขาวห่มขาวอย่างนัมัสติเทวดาเทวดาว่ายบุคคลเรานี้ยนี่เป็นเรื่องของพระอินเทวดาจึงบอกว่ามนุษย์ภูตังสัมมาธรพุทธตังอัตตรันตังสัมติทังอย่างนัมัสติเทวดาพิชชาเจรณาสัมปโนโสเสโธเทวมนุษสา วันนี้เราจะมารวมกันประพฤติทั้งวิชาและจรณะให้มันสมบูรณ์คำว่าเสขะปฏิปทานั้นเป็นชื่อหนึ่งของสิของของคำว่าจารณะเสขปฏิปทา1สิบห้าข้อคือจรณะสิบห้าเราอาจจะไม่ได้ยินหรือเราอาจจะเคยได้เรียนก็ได้ผู้ใดเคยปวดมา แต่เราจะสวดอยู่ทุกวันแต่ละวันเราฝึกฝนวิชาจจรนาสัมปนโนสุโลกวิถุเราสวดกันอยูสุขตัว โ, โลกวิถุนีอะไรบ้างเจรณะคู่นี้เราจะได้รู้จักทันทีเลยเราจะก้าวสู่เจรณะเลยหนึ่งรักษาศิ่งให้บริสุทธิส์สังรวมพระปาติโมกเป็นผู้เห็นภายในโทษ สมาทานเวีนภายในโทษอนุมตัติสุวัชเชสุพัจทัสสาวีสมาถายะเห็นอยู่ซึ่งภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในพระปฏิโมงนั้นนี่เป็นข้อหนึ่งสองที่นี้อภป น, นกับปฏิปาหาสามสามกับสินปฏิโมงเป็นสี่หลังจางนั้นพระธรรมเจ็บเป็นสิบเอ็ด ฐานสี่เป็นสิบห้าเรียว่าจาระณะสิบห้าทีนี้นเราก้าวสู่เวทีแห่งจาระณะนะอารณการปฏิปัาิจะต้องใช้ยังมากที่แรกผมหนักใจมากหนักใจหนักใจไม่กล้าบอกกลว่าเอสถานที่เราก็พร้อมที่หลับที่นอนเราก็เตรียมไว้ดีน้ําเราก็มีพรอห้องน้ํำเราก็พร้อมถ้าเราประกาศไป พระสง์จะมาฝึกอบรมเสกขาปฏิปทาถ้าพระมาสักสี่ห้าร้อยเราจะกั้มเกืนเราจะพยายามเลี้ยงดูเพื่อรล่อเลี้ยงทำช่วยกันรับผิดชอบต่พระศาสนาพระศาสนานี้มีพลังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีปัญหามากแต่เราก็จะไม่กล้าประกาศประกาศทั่วไปกลัวโยมจะมามากเมื่อโยมมามากจะบงังพวกเสขาขาวนี่จะบังเสขาเหลืองกว่า นักกจจะห้อะไรมาให้ใ ห, ให้ให้กินนาะทีนี้มาคิดคิดมาได้อีกทีหนึ่งถ้าปฏิบัติตามเสกข่ามันจะมีอปัปนักกะปฏิปทาตัวนี้อุ่นใจถ้าเข้าใจไหมผู้นี้เราจะต้องดําเนินตามอาัปนกะในตัวอปัปนกะปฏิปทาสี่ข้อสามข้อมีหนึ่งหนึ่ง อินทรีสังวรคุ้มครองอินทรีในทวัรทั้งหตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินรายให้เรารูลับทรา บ, บ, บ, บไม่ให้มันข้องข้างค้างคาใจสองตัวนี้จะ ต, ตัวทำให้เบาใจนะโพชเนมัตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่มากไม่น้อยกินเพียงเพื่ออยู่ได้ยาปนายะเพื่อเพียงเพื่อความเป็นไปได้แห่งร่างกายการมีสวนอเปตคินันติบอกวัาสารนำเซลลไม่สนใจกับความอร่อยตัวนี้สำคัญมากเสกขะปฏิบัติี่ต้องกระทำมีอะไรก็กินอย่างนั้นเดีว่าเลี้ยงง่ายสุภาตายะพิขูนัง เป็นพืชสูบเลียยเ้ยงง่าย B-ing e easy to support เลี้ยงง่ายคำจุดได้ง่ายไม่ให้เป็นภาระของกใครอึดกรบอกแหงปากอยากากรบอกแหงขอเลี้ยงง่ายเลี้ยงโกงงกงานโกงงกก้หวยเมื่อตามแม่แม่จะว่หาของว่าของส่วนไหนหมืน่นก็เลยเบาใจผมทุกวันนี้ท่านทั้งหลาย ผมปรกาศให้ท่านฟังเดี๋ยวนีนะ้ผมกินข้าววัน ล, ละสิบสองคำนะวัน ล, ละครเดียวหนึ่งดอกแต่สิบสองคำถ้าวันไหนมันไม่อร่อยก็ยัดเข้าไปให้มันได้สิบสองคำถ้าวันอร่อยก็ยุตสิบสองคำ ม, มันก็อยู่ได้เพื่ออะไรเดี๋ยวนี้น่ากลัวนะที่จะเล่าให้ฟังนะน่ากลัววานเมืองเจริญประเทศไทยได้พัฒนามาไกไป รัฐบาลใหม่ทักสินเชนวัตนเเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจกำลังจะเงยหัวขึ้นกลังเงยคอขึ้นผู้คนก็มีอยู่ดีกินดีขึ้นในสังคมทำบุญก็ทำมากยิ่งเรื่องอาหารอาหารดีดีไปถวายพระลูกเต้าอยู่ที่บ้านมาได้กินดีเท่ากับพระเพราะยายโยปารธนาปนหาแต่ของดีดีไปถวายทีนี้ละอันตรายจะเกิดขึ้นแก่พระ ถ้าพามาดูจัโพชเณรมันตั้งอยู่ตามมัรู้จัประมาณในการบริโภคมันจะเกิดโพชเณรมันตั้งอยู่ตรงเอาพุงเป็นประมาณกินกันไปจนเสยบือบานเถอยนอนรับกกนถาถานนั่งสมาธิเขาเดีวเฮ า, างาเนี่ยอันตรายและจะมรณ ะ, ะไว้ด้วยกินน้อยตายยากกินมากตายไวกินน้อยตายมากกินยากตายง่ายกินมากตายง่ายวา ก, กินหลายก็ตายทั้ง ต้รู้จักเลือกผลิตผลิตจะอยู่ซ้อนเรียกว่าอภปนับปฏิบัติอาภปนับปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานไม่มีผิดไม่ว่าไม่ว่าอดีตไม่ว่าปัจจุบันไม่ว่าอนาคตไม่ผิดไม่มีใครบอกก็ไม่ผิดถ้รทำอย่างนี้ก็เป็นเป็นเป็นเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวเดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงป้าปันเมืองเจริญฝรั่งเขาเรียกว่าคอน sumer s o c ซ e t y สังคมเกิดการบริโภคขึ้นมาอย่างแรงเกิดปัญหานะครับปัญหาใหญ่ของโลกเดี๋ยวนี้ปัญหาของคอนซูเมอร์คอนซูเมอร์อิซึมอาธีบริโภคนิยมถ้าผมจเิเสียเวลาพูดสักสักสิบนาทีจะดีไหมในเรื่องนี้จะขอร่างฟังหน่อยมั้งกระแสนี้กระแสมาเลยกระแสคอนซูเมอร์คอนซูเมอร์อิซึมระบบบริโภคนิยมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเดี๋งนี้ ขอย้อนอยุคเสียเวลาสักเอาสักห้านาทีสักสิบนาทีเนาะเมื่อสองพันสี่ร้อยแปดสแปดงครามโลกครั้งที่สองสงบลงประเทศชาติต่างๆเจ็บปวดบอบชำ้ำด้วยภัยตื่อโทษของสองครามคนลงคนตายกันมากคนกำพาคนพิการมีมาก ปัญหาของโลกเกิดกระเทือนไปทั่ว ท, ทั้งทั่วทุกมุมโลกมันมีปัญหาจะอยู่สามปัญหาเขาเลยม า, มาจับมือกันตั้งเป็นสหประชาชาติตั้งเป็นองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อจะช่วยเหลือโลกพัฒนาโลกแก้ไขปัญหาที่มันเกิดสงครามสงครามนั้นเป็นอันตรายมากมีแต่ตายมีแต่ฆ่า รูปเป็นกำพร้าคนเป็นเป็นคนพิการบ้านเมืองบ อ, องบช้เพรอะ่ายสงครามบ้างกระทบกระเทือนจากการพัฒนาก็เหมือนกันขาดแคลนปัญหาใหญ่เกิดขึ้นหลังสงครามมีอยู่สามประการหนึ่ง Poverty อดจากขาดแคลนทุกอยาก่างสอง Disease เป็นโครคภัยไข้เจ็บสาม อิกโนเรนซ์โง่ไม่ได้หนังสือปัญหาใหญ่สามตัวก็เลยตั้งองค์การสามประชาชาเข้นมาร่วมกันพัฒนาโลกแล้วก็มาประกาศปัาม the u n d e d Develop เป็นทัศวัตแห่งการพัฒนาโลกแต่เดืีสองพันห้าร้อยมาแล้วเริ่มพัฒนาพัฒนาไปพัฒนามามันเก่งเพราะมันมุ่งมันแต่เรื่องเงินเรื่องวัตถุ เอาเงนินมาแก้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงเรื่องจิตใจตั้งธนาคารโลกขึ้นมาก่อน 2,492 ปีผมเกิดตั้งธนาคารโลกขึ้นมาแต่เขาไม่ได้เรียกว่านะธนาคารโลกเขาว่าแบงก์อินเทอร์เนชันแนลแบงก์ฟอร์ดีเวลพ์แมนแอนด์แอรีคอนสแตคชัธนาคารแห่งชาติ ธนาคารนานาชาติเพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟูปฏิสังขรณ์ประเทศไหนไม่มีเงินไปกู้ประเทศรัฐประเทศไทยเสือปืนไปเชิญธนาคารมาตั้งสำนัก ง, ง, งานที่กรุงเทพทาหนังสือเชิญเจ้าหน้าที่ให้เขามามาวิเคราะห์วิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยจะพัฒนาไปที่ทางไห น, นคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็เลยไปเชิญเขามาเขามีนหน่วยงานในองมวลหน่วยหนึ่งเขาเรียกบ่า International Development Association ธนาคารหน่วยงานพัฒนาระหว่างชาติให้ความร่วมมือพัฒนาระหว่างชาติถ้าคิดไม่ออกบอกมาถึงไปเชิญคนนี้มาตอนนี้ก็มาดูประเทศไทยปีนึ่งโอ้ประเทศไทยได้รับโดยมากทรัพยากรมากถ้ายืมเงินก็มีมีสิทธิ์ที่จะจะใช้เงินให้แก่ธนาคารได้ง่ายๆแต่ประเทศไทยจะต้องวางแผนพัฒนา ท, ทันทีคือหนึ่งตัดต้นไม้ไป ไปประเทศไทยต้หไม้เยอะตัดต้นไม้ไปขายส่องออกนอกจะได้เงินมาพัฒนาประเทศคือมันมุ่งไปที่เงนโจ้านเตรีก็เลยประกาศแผ่พัฒนาแผนที่หนึ่งเลยประกาศตัดไม้ปเปิดป่าต้องราดป่าตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้หมดเลยครับผมเป็นเด็กผมเป็นเด็กมาหาเก็บตักยางอยู่ที่นี่หัวใบอกว่าตักขีย้ยางนะนะ่ตักก็พอเอาไปแลกเ ข, ขาพ่อพ่อในทุกยากลบาับแม่ไม่มีข้าวกินดอก ตักยาได้มันมาทํากระบองทําไตเราไปแลกข้าวน้ํามันท่วมนาเพราะได้กินมาตักย่างตนนัวนี้ตะวันตกดินหาห่างออกไม่ได้มันมันดกมิได้เสียงเสือร้องอยู่สนามจะตรง น, นี้ผมร้องให้ได้ผมร้องให้คนเดียวพ่อก็จูงแขนเราไปนูไปไปถึงคุณอย่าร้องให้เสือจะได้ยินจีจีจได้ยินอย่างมันได้ยินเขาเขาได้ยินแต่บรรห์ยาเป็นกินหัว พอโตพอพอบวยมามาอยู่ที่นี่ก็ก ส, อสองสามฝืดพื้นไปดินตรงนี้ก็เลยซื้อขึ้นมาเลยมาปลูกป่าขึ้นมาใหม่นั่นแหละคือการพัฒนาครั้งแรกเมื่อพัฒนามากไปมากไปประเทศแต่และประเทศก็พัฒนาขึ้นประเทศพัฒนาขึ้นพัฒนาไปมากเกิดปัญหาใหญ่ซ้อนขึ้นมาแล้วเดี๋ยวนี้นะบริโภค น, นะเมื่อกี้หลังสงครามเราได้ยินว่ามีปัญหาสามประการหนึ่งทุกยากแก่โจงค์ห้องแคม สองเกิดโรคภัยไข้เจ็บด ส, สามอิกนรันส์โง่ไม่ได้นังนสือพัฒนาเอาไปมาคนอ่านหนังสือได้เก่งแล้วก็ยารักษาโรคพัฒนาทางกับทางการแพร่ก็เก่งเก่งมากขึ้นเอาไว้มาปัญหาใหม่เกิดขึ้ น, นปัญหาใหม่สองมามสามปัญหาอะไรครับลองทายดูหนึ่งอเปเรชันคนมาก บางทีเนี่ว่าเป็นโลกให้ไข่เจมันตายไววันพวกตายวั น, นี้พัฒนาได้เก่งมีอยู่มีอยากเก่งมากคนเมื่อตายคนมากเมื่อคนมากแล้วอะไรเกิดขึ้นจากพ o p u l a t i o n แล้วก็มาถึงมาถึง d e p r e s s i o แล้วก็ population สามชั้น population เรียว่าคนมากคนมานตายวันคูแจกอยู่จกอยากพัฒนาเราเนี่นตายนั่ง ต, ตายเลยกิน l i า e วันนึงกิน live ให้กันเ d e p พ e ย์ชั่นทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอมันกินหลายมันหลายคนผดมันนั่นตายที่ดีก็ว่พัฒนาไม่ได้เช่นเตาจีได้ยิงค่าวาินทิเกรชั่นคือบูรณาการและเ u s คเซิร์ฟเวอร์ดีเเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมันมาจากปัญหานี้ทุกทิ่อย่างต้องบูรณาบูรณาการเข้าใจคำว่าอินทิเก t ชั่นเมื่อคนเกินมากคนก็กินมาก กินป่ากินดงกินดินกินน้ำกินท่ากินน้ำม่งน้ำมันกินแก๊กกินอะไรถลุงหมดทรัพยากรธรรมชาติก็เลยทรัพยากรร่อยหรอเขาเรียกว่า depression ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอยังไม่พอตัวสุดท้ายนี่หนัก p o l l u t i นเอาของดีมากินแล้วเอาของเสียทิ้งเอาไงวะกินอะไรมา่ายเส่โลกจะท่่มโลก อเมริกาเดยนี้ปวดหัวมากเรื่องขยะ ข, ย ะ, ขยะท่วมโลกเอาบรรทุกใส่เรือไปเป็นสองปีไปหาทิ้งไม่ได้สองพันห้าร้อยสามสิบมีรายงานว่าเรือบรรทุก ข, ย ะ, ขยะจากนิวยอกหนึ่งพันสามอัหนึ่งล้านสามแสนตัน แต่ขคยาบกระหาทิ้งจาเกาะรองอิสราเอลที่ที่นิมจอบที่ไม่ได้กลับไปหาทิ้งไม่มีที่ทิ้งอยู่สองปีไผ่ทีไปให้ทิ้งไปทิ้งบ้านไผ่ไ้ก็บ่กให้ทิ้งมาถึงประเทศไทยพ่อทิ้งันมีดสานพิษมันมีใครให้ทิ้งหายไปตั้งสอปียังกลับมาได้ถ้ทิ้งไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนในนี้มีปัญหามากเลยเอาไปทิ้งอันนี้เขาเรียกว่าพอลวชั้นทิ้งของเสียให้แก่โลกโลกเลยเกิดมลภาวะเป็นพิษ อากาศเป็นพิษฝนเป็นพิษน้ำเป็นพิษโรงงานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาโรงงานอุตสาหกรรมส่งแก๊สพิษควันพิษขึ้นฟ้าขึ้นอากาศกลายเป็นกดในตึ๊ไปก่อกรรมฐานเป็นเป็นเมฆเป็นฝนฝนตกมาเพเป็นฝนฮาแก้วด้วยปะเนี้ยเพราเป็นฝนฮาแก้วอ่ะฝนก่อโรมาเป็นเนฝนฮากินปะเมื่อฝนเหล่านั้นตกมาถูต้นไม้ตายต้นไม้งิ่งอตายพราะเพราะฝนมันมีพิษ เขาเรียกว่าเอชิเตเรนฝนพิษฝนน้ำกรดตกใส่น้ำปลาตายกุ้งตายหอยตายในนี้ทะเลสาบแถวออรตโตริโอแถวแคนาดาเนี่ยตายไปเฉยๆสองร้อยแห่งทะเลสาบตายทะเลสาบทางทางอเมริกาเหนือตายไปสองร้อสี่สิบแห่งทะเลสาบทาง ทางสเกนินีเวียงตายไปพันแปด้อยแห่งมันตายยังไงมันมีสัตว์อยู่ได้กุ้งตายปูตายปลาตายอะไรต่างตายเพราะน้ำาันพิษไปพิษจากไหน